อยากว่าพ้อที่จะละความชั่วพ่อที่จะทำความดีได้ทุกโอกาสเพราะสตินี่เหมือนพ่อเหมือนแม่ที่ดูแลลูกเพราะพ่อแม่ก็ต้องกรองที่จะดูแลลูกให้รอดปลอดภัยอยู่เสมอบาพุระเจ้าเปรียบเทียบกับสตินี่เหมือนพ่อเหมือนแม่อุปการลักณที่สุด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 อะไรเกิดขึ้นกับพอใจไม่พอใจมันดึงไปแล้วถึงถอนลงถ้ามีสติจะถอน อ, อกมาให้รู้สึกตัวได้สอนกายแล้วได้สอนจิตใจแล้วทกครั้งที่มันเกิดความพอใจและความไม่พอใจเราสอนตรงนี้ แต่ยังไม่แสดงออกทางคาพูดสังกายเป็นทวานที่สองที่สามก็ยังไม่เป็นบาปเป็นกรรมที่เป็นบาปเป็นกรรมมาเกิดจา ก, กจิตใจนี้ก่อนหรือเจตนาหังพิกเวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสาเร็จอยู่ที่ใจถ้าหลงก็ผิดไปแล้วถ้าทุกข์ก็ผิดไปแล้ว ถ้าพอใจก็ผิดไปแล้วทาไม่พอใจก็ผิดไปแล้วอย่าดื้อด้านกันตรงนี้ดูดีๆแง่ยแยบคลายดีๆอาศัยกรรมฐานเป็นป้อบปาการตรวจดูอยู่เสมอข้าศึกมาทางใดจะได้ปราบค่าศึก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 ทำให้เกิดการเสียหายตัดไม้ยุงในป่าจนจะหมดแล้ววานเจอก็จับได้ทั้งเจ็ดแปดท่อนต่างๆได้ไม่ใช่ของง่ายใสกระเป๋าใส่อะไรก็ได้ทั้งกินยาบ้าต้องต่อรถลากไปหนักก็หนักยังโลอบลักไปได้ จนแล้ไปแล้วก็จึงพัฒนาไปทางเสื่อมหาวิธีที่จะเอาให้ได้ความชั่วหาวิธีทำให้สำเร็จได้ทำปันไดยืดกายยืดใจแล้วก็วทำความชั่วได้สำเร็จเกิดทุกข์เกิดโทษ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 ผู้เจรจาการงาแล้วก็พยายามเครื่องมือการทำโจรกลัดมันดีทุกวันนี้กขาพัฒนาจนยาเสพติดมีทุกรูปแบบทั้งดมทั้งอมทั้งกินทั้งทาก็ติดได้หัวทางกินก็ติดได้หัวทาง กายก็ติดได้หมด ท, ท, ทั้งตวันทุกปากก็ติดได้หมดลมอมทางได้ทั้งหมดแล้วก็นีวามสำเร็จพวกปัญญาเขีก้กคิดจะทำก่อนชั่วได้สำเร็จ แล้วก็จ ะ, จะอาศัยันอื่นมันก็ไปไม่รอดคนไทยเราหกสิบกว่าล้ลานคนเนี่ยทุกคนก็ดูแลตัวเองจะมอบภัยไคนใด ค, ค, ค, คนหนึ่งดูแลคุ้มครองก็ไม่รอดปลอดภัยกรรมาฐานนี่ควบคุมได้เยอะ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 ามันชัดอยู่ที่กายมันตั้งอยู่ได้นานเหมือนเฉยภูมิที่นกลบพยึดได้ดีก็ย่อมได้ใช้จน้าแจ่ฆ่าศึกหลงที่ใดก็กลายเป็นลู้ทันทีปาพได้แล้วปิดตรงไหนกลายเป็นทุกทันทีทุกตรงไหนกลายเป็นไม่ทุกทันทีถ้ามีเจตติ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 กายช่วยใจสมาธิก็จะได้ช่วยกายช่วยใจปัญญาก็จะได้ช่วยกายช่วยใจพลงังเพิ่มเป็นเครื่องทุนแหลงเกิดขึ้นมาง่ายระบาดง่ายที่จะไม่หลงได้อาจจะสะดวกเหมือนถีบกกยานขึ้นหมอขึ้นที่สูงเมื่อขึ้นที่สูงนี่แล้วก็ง่ายลงง่ายขาหลงก็หลงง่าย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 จนความชิดอย่างเนี้นก็ติดมานานแล้วสิปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีเกลื่ชิดก็เปิดเพื่อนไยหมดจิตเดิมแท้ไม่เข้าใจเห็นกันเห็นแต่จิตที่มันปนเพื่อนไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก่าพอใจมันติดไปทางนั้นไม่พอใจมันติดไปทางนั้นจิตน่ะ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 วยกันถ้าท่านเปลี่ยนความหลงไปความไม่หลงแล้วก็กดอันนี้สงมากมายยึงช่วยกันบอกช่วยกันสอนกันตรงนี้อันนี้ก็จะให้อาจารย์สนใจพูดชักงหน่อยันเกอ่ ก, ก็ เดือนลางลงคนหนุ่มก็ขึ้นหัดแทนเด็กบัณฑ์ผลลัพธ์ของเราก็ตายไปมากแล้วปีนี้ก็สมเด็จสังกัลโลกชินไปชนไปแล้วสองลูก ก็ยังโดดยังไหก็ขึ้นมาช่วยกันตั้งนักบวชตั้งกัลวาตญา จ, จมหรือ ว, ว่าพุทธบริษัทพี่รูสองนอ้องลูกหนึ่งช่วยกันนี่มวนครับอย่าสนใจ กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์นิ่งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบคารวะหลวงพ่อกลมอาจารย์วัฒนชัยพระเทรานเทระเพื่อนสาธ ม, มิกก็เจริญพรญาติโยมแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังทมจากหลวงพ่อคำเขีย น, นไปแล้วก็คงจะได้ข้อคิดข้อปฏิบัติที่เราจะนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เรามาฝึกความรู้สึกตัวก็คือมาเจริญสติให้สติเป็น เครื่องคุ้มของใจนะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติกันมานะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ปฏิบัติเข้มนะซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันที่6หรือวันที่7แล้วนะหลายท่านก็คงได้ประสบราการนะจากการที่เราปฏิบัติลงไปตรงตรง จากสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้แนะนำนะก็เป็นสิ่งที่เราจะนำไปปฏิบัตนะิเมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดผลนะเป็นสิ่งที่ประสบพบเห็นนะเป็นสิ่งที่ยืนยันนะในสัจธรรมความจริงนะที่นะองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ค้นพบ นะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความจริงนะที่ปรากฏขึ้นนะกับกายกับใจของเราในแต่ละขณะนะในส่วนของกายนะก็คือความรู้สึกที่กายนะการเคลื่อนไหวนะความรู้สึกปวดเมื่อย นะความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับกายนะที่เราได้สัมผัส ด, ด้วยความรู้สึกตัวนะนี่เป็นสิ่งที่เราเจนได้ง่ายๆนะเมื่อเรามีความรู้สึกที่กายบ่อยๆนะจนเกิดเป็นนิสัยนะเป็นความเคยชินนะมันก็จะนําไปสู่การเห็น เนะียสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจนะที่เกิดขึ้นภายในตัวเรานะซึ่งตรงนี้เป็นปรากฏการณ์หรือเป็นอาการนะที่เกิดขึ้นนะอยู่ทุกเมื่อเชื่ อ, อวันนะนแต่ในแต่ละขณะเนะียโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะความรู้สึกพอใจไม่พอใจในแต่ละขณะนะเมื่อเราได้สัมผัสกับโลก นะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะโดยผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายนะสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมากระทบนะกับกายนี้แล้วนะใจเราเกิดความพอใจไม่พอใจอย่างไรนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะเราจะต้องดูอยู่บ่อยๆนะซึ่งสิ่งที่จะใช้ดู หรือสังเกตก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อเราทําอยู่บ่อยๆทาอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีความว่องไวฉับไวแล้วก็แหลมคมที่จะเห็นสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้ น, นาภายในกายภายในใจของเร า, าซึ่งตรงนั้นถ้าเราเห็นได้อย่างชัดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่หลง นะเข้าไปในอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะก็จะทําให้เรานะเป็นเพียงผู้ดนะูเราไม่ได้เข้าไปเป็นผู้เป็นนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> เราจะประสบพบเห็นไดนะ้ด้วยการกระทำํำนะจากสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะแล้วเราก็นําไปกระทำํำนะมันก็จะเกิดผลขึ้นมาเมื่อเราดูบ่อยๆเนี่ย เราก็จะเห็นทั้ง <c oughs> ความสุขความทุกขนะ์แล้วก็ความปกตนะิที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้นะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะปรากฏนะอยู่ให้เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแต่เพราะความที่เราอาจจะไม่ได้มาฝึกมาปฏิบัตนะิเราก็อาจจะเคยชิน นะกับนิสัยเก่าๆนะหรือว่าสิ่งที่มันนอนเนื่องนะอยู่ในจิตใจของเรานะบางทีก็ทําให้เราพัดหลงนะไปกับสิ่งที่เป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะก็เป็นการที่เราทวนกระแสนะความเคยชินหรือว่านิสัยเก่าๆความเคยชินเก่าๆนะ่ที่จะทําให้เราเนี่ยได้สัมผัส นะคับความเป็นปกติของจิตใจนะซึ่งมีอยู่แล้วนะแล้วตรงเนี้ยมันจะทำให้เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมานะเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวนะเป็นนิสัยที่จะมีความรู้สึกตัวเป็นผู้คุ้มครองแต่ก่อนนั้นนะนิสัยของเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่หลงไปกับความคิดนะหลงไปกับอาการต่างๆ ก็ทำให้เราสุขเราทุกขนะ์วนเวียนหมุนเวียนเปลี่ยนไปมาซนะึ่งตรงนีนะ้ก็ทำให้ชีวิตของเรานั้นเนะราหกระเหนินะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเรามีสตนะิเราก็มีความมันุกมั่นใจมีความอบอุ่นใจนะเหมือนกับมีมีพ่อมีแมนะ่ที่คอยดูแลคุ้มครอง แต่พ่อแม่ตรงนีนะ้เป็นพ่อแม่ที่มีอยู่ภายในตัวเรานะก็คือความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนั่นเองประเด็นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ฝึกปฏิบัตินะเราได้กระทาให้เกิดความต่อเนื่องนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเกิดผลได้เนี่ยเราก็จะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะความต่อเนื่องในที่นี้ นะก็จะทำให้ความรู้สึกตัวนั้นได้ตื่นขึ้นนะจากความรู้สึกตัวธรรมดาสามัญนะก็จะเป็นความรู้สึกตัวที่เราเรียกมันว่าเป็นสติปัฏฐานนะเป็นสติปัฏฐานเป็นความรู้สึกตัวที่ฉับไวว่องไวนะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดสำคัญ นะที่เราจะต้องทำนะบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้ต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาใช้ชีวิตนะแล้วก็ได้กระทำอย่างต่อเนื่องนะทั้งในส่วนของรูปแบบนะการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะหรือแม้แต่ในช่วงที่เราทำกิจวัตรประจำวันนะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้อง ทำต่อเนื่องกันไปนะไม่ใช่ทำเฉพาะในส่วนของรูปแบบเท่านั้นในกิจวัตรประจำวันนะเราก็พยายามที่จะกลับมารู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆในการเคลื่อนไหวต่างๆอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความคิดฟุ้งซ่านก็ดนะีความสงบก็ดี นะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอาการเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะให้เราได้เห็นแล้วเราก็ผ่านนะไม่จะไปจมอยู่ในอาการเหล่านั้นหรือไม่ใช่ไปหวังนะบางคนก็อาจจะหวังว่าปฏิบัติแล้วตัวจะเบาจะมีความสุขจะมีความสงบนะตลอดเวลานะอันนั้นซึ่งเป็นสิ่งทีเ่เราอาจจะพัดลงได้ เพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คืออะไรเกิดขึ้นก็ตามให้กลับมารู้สึกตัวนะโดยเฉพาะความรู้สึกตัวที่กายเนี่ยให้ชัดไว้ก่อนนะตรงนี้เป็นหลักสําคัญแล้วเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเรากลับมาตรงนี้เนี่ยมันจะมีหลักนะมีหลักที่จะให้ใจเรานะได้ยึดถือได้นะแล้วก็เป็นเครื่องคุ้มครองการกลับมารู้สึกตัวที่กายนี่แหละนะเป็นสิ่งที่จะคุ้มครอง นะทำให้เรามีเหมือนกับมีสิ่งคุ้มครองจิตใจของเราแล้วก็เป็นการป้องกันนะไม่ให้สิ่งที่เป็นความไม่ดีทั้งหลายนะเข้ามาครอบงำจิตใจไดนะ้นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นระยะเวลาห6วันนะที่เราได้มาร่วมกันปฏิบัตนะิแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัดผาสุกโต นะก็จะเป็นครงเป็นสิ่งนะที่เราได้ประสบพบเห็นเป็นประสบาการณ์ตรงไปตรงมานะสมกับดังที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้พูดไว้ว่าครูที่แท้จริงก็คือตัวเรานั่นเองนะไม่มีใครที่จะมาสอนเรานะหรือบอกผิดบอกถูกได้นอกจากตัวเราเองจากประสบาการณ์ที่เราได้สัมผัสนะได้เรียนรู้ลงไปตรงตรง โดยไม่ใช่ความคิดเป็นการสัมผัสรู้ด้วยความรู้สึกตัวตรงๆอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าทุกคนก็คงจะได้ประสบได้พบเห็ น, นสิ่งต่างๆเหล่านี้นก็ต้องขออนุโมทนานในความตั้งใจของทุกท่า น, นแล้วก็หวังว่าความเพียรพยายามของทุกท่า น, นะจะช่วย นะหรือเป็นปัจจัยหนุนนำส่งให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วนะแล้วก็มีสติคุ้มครองใจนะตลอดไปนะเจริญพร